ต่อมาอีกยุคหนึ่งนะมีพระราชาแห่งเทพหรือว่าเทวดาเทพเทวดาหรือว่าพระราชาของเทวดาผู้ที่เทวดานับถือแต่งตั้งเป็นพระราชาชื่อว่าพระเจ้าสุทสัศนะเนี่ยนะพระองค์ประทับอยู่ณนะสุทสัศ น, น, น, นะบรรพุธนะนะพระราชะนะสุทสัศนะบรรพุธนั้นอยู่ไม่ไกลาจากอุสภาวดีราชาแห่งเทพผู้นั้นเท้าเธอเป็นมิจฉาทิฐิ เป็นคนที่เห็นผิดปฏิเสธกรรมมสัสกตาปฏิเสธบุญบาปก็น่าแปลงเป็นเทวดาได้ยังไงก็พวกมนุษย์ทั่วชมพูทวีปจึงคำว่าเป็นมิจฉาทิฐิอาจจะหลงผิดไปบ้างแต่ไม่ใช่ไม่มีวาสนาจะตรัสรู้ก็เลยพระองค์ก็ดูว่าเออเป็นพุทธเวไนยพอที่จะโปรดแสดงธรรมสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้เขาตรัสรู้ได้ สมัยนั้นมีพวกมนุษย์ทั่วชมพูทวีปนำเครื่องสังเวยมีค่านับแสนมาเส้นสวงเท้าเธอนะก็ยางว่านะผู้มีอำนาจคลั่งอำนาจก็ต้องให้คนมาคอยบรรณาส่งเครื่องบรรณาการส่งสวยเส้นสวงบูชายนั่นแหละมันเท้าสุทัศนะเทวราชประทับบนอาสนะเดียวกันกับพระราชาแห่งมนุษย์รับเครื่องสังเวยเพราะว่า พวกมนุษย์ที่มาบูชาเนี่ยเรียกว่ากษัตริย์ร้อหัวเมืองนั่นต้องมาบูชามาบวงสรวงพิธีบวงสรวงที่ใหญ่มากสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปิยัติศรีดำเรียวจำเราจากบรรเทามิจฉาทิฐิของสุทัศนเทวราชนั้นเสียสุทัศนเทวราชพระองค์นี้เป็นยักษ์เนี่ยนะเป็นกลุ่มยักษ์คั้นเมื่อเท้าสุทัศนเทวราชนั้นเสด็จไปยังยักษ์สมาคมหรือว่าสมาคมยักษ์เรียกว่าที่ประชุมยักษ์ มีใครเป็นบริวหัว ห, หน้าก็บอกท้าวเวสวรร์เป็นหัวหน้าใหญ่นะผู้เป็นราชาแห่งยักษ์เขาก็เป็นกลุ่มพวกอา่าเป็นใหญ่ในในบรรดานั้นน่ะนะแสดงว่าเป็นคนโปรดของท้าวเวสวรรค์เลยแหละเมื่อ ท, ท้าวสุทัศน์เทวราชนั้นไปยังสมาคมยักษ์พระพุทธเจ้าก็เข้าไปยังที่อยู่หรือว่าพบอานาะ ร, ราชวังของทาอ้าวเถอพระองค์ก็ขเคลน่อแนลอไปประทรับนั่งบนบาลังเขาเลยแหละ แล้วก็เปล่งพระฉับพันรังสีเหมือนดวงอาทิตย์ในฤดูสาธารการ น, นะเปล่งแสงเหนือยุคยุคันถรนบันพศเนี่ยนะถ้าบอกว่าในดูฤดูศาสตร์เนี่ยนะก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยในสมัยที่ไม่หมอกยังไม่ลงเนี่ยถ้าดวงยามเช้าเนี่ยนะถ้าใครดูดวงอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขานี่จะดูสวย น, นะก็เห็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็งดงามเปล่งแสงเรืองงามแบบนั้น เมื่อพระองค์ไปอยู่ที่ที่อยู่ของเท้าสุทัศนะเทวราชเทวดาที่เป็นบริวารรับใช้ของเท้าเธอก็บูชาพระทศพลด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปกใยเป็นต้นเสร็จแล้วก็พากันมายืนแวดลอ้อมบริวารก็คือพวกนางฟ้าเทวดาที่มาคอยบำรงอ่ะนะมาบูชาพระเจ้ากันหมดเลยฝ่ายเท้าสุทัศนะเทวราชหลังจากกลับมาจากยักษ์สมาคมเห็นพระฉับพันธ์รังสีแล่นออกไปยัง พบของตนก็คิดว่าวันอื่นๆเราไม่เคยเห็นพบของเราเจริญรุ่งเรืองด้วยแสงรัศมีมากมายเช่นนี้นะปกติแล้วเมืองของเราวังของเราไม่เคยมีแสงออกมาแบบนี้เลยวันอื่นๆไม่เคยเห็นใครนาะเข้าไปเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์จึงเข้าไปยังที่อยู่ของเราตรวจดูเสร็จแล้วพระองค์ก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งรุ่งโรดด้วยแสงพระฉับพลันระดังสีเหมือนดวงอาทิตย์ในฤดสูสัตว์เหนือยอดอุทัยคีรีวันนั้น โปร่งคิดสุทัศนะเทวราชผู้นั้นก็คิดว่าสมณะโลนผู้ น, น, นี้คือพระพุทธเจ้ามีเส้นพระเกศาเนี่ยยาวไม่เกิน2 อ, องค์คุลีเนี่ยนะก็เลยคิดว่าสมณะโลนผู้นี้อันชนใกล้ชิดของเราแวดล้อมแล้วนั่งเหนือนั่งเหนือที่นอนอันดีของเราบอกว่านี่นะเป็นนั่งบนเตียงเราด้วยนะแล้วบริวารของเราไปคอยบำรุงหมดเลยแม่ฟังน ะ, ะแค่ว่ามัจฉริยะเนี่ยนะความตนหนีความ อันนี้มันเกิดขึ้นมารุนแรงมากความตระหนี่นี้มันเกิดบวกกับความโกรธมันจึงโกรธความโกรธบันดาลโทสะขึ้นเลยคิดว่าเอาเถอะเราจักสำแดงกำลังของเราให้ส ม, มณะโล้นดูก็เลยทำภูเขานั้นทั้งลูกให้ลุกเป็นเปลวไฟอันเดียวครับแปลว่าเผาเลยเห น, นั้นพอเผาเสร็จก็ตรวจ ด, ดูว่าส ม, มณะโล้นคงเป็นเท่าเป็น Play o Fi, เปลวไฟไปหมดแล้วมัว้งเหลือแต่ขี้เท่าแล้วป่านนี้ ก็เห็นพระทศพลมีพรารกายถูกแสงรังสีมากมายเล่นท่วมไปแต่ว่าผิวพระพักของพระองค์ก็มีสีงดงามมีชวิ ว, วันผิวพรรณที่สดใสรุ่งโรจน์อยู่สุทัศนเทวราชก็คิดว่าสมณะผู้นี้ทนไฟไม่ได้โอ้ไฟไหม้ยังทนได้เก่ง่ังเลยเอาเถอะจำลุกรานสมณะผู้นี้ด้วยกระแสน้ำหลากแล้วฆ่าเสีย ก็เลยปล่อยกระแสน้ำหลากอันลึกล้ำตรงไปยังวิมานเนพุ่งสายน้ำเข้าไปเลยจากนั้นน้ำก็ไม่เปียกเพียงขนผ้าขนผ้าแห่งจีวรหรือว่าชายผ้าแห่งจีวร น, น้ำก็ไม่เปียกหรือพระโลมาขนของพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ไม่เปียกเลยพระองค์ก็ประทับนั่งในวิมานนั้นอันเต็มไปด้วยกระแสน้าหลากจากนั้น ท้าวสุทัศนะเทวราชรู้ว่ากระแสน้ำหลากอันนี้เนี่ยสมณะหายใจไม่ออกก็จะตายไอ้ที่เรียกว่าให้น้ำท่วมตายนั่นแหละจึงเสกมนพ่นอัดน้ำแล้วก็ตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งอันบริษัทของตนแวดล้อมตามเดิมรุ่งโรดด้วยแสงแลบจากเปลวรสมีต่างชนิดดุจดวงรัชนีกรดวงอาทิตย์ในฤดูศาสฉนั้นส่องแสงลอดเหมือนอแสงแสงส่อง ส่งแสงลอดหลือเมฆสีเขียวครามทนการลบหลู่ตนไม่ได้ยิ่งโอ้โหมันเหมือนมันเห็นเรียกว่าทำลายอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งฝ่ายหนึ่งไม่มีภยัยไม่มีอันตรายเท่าใดฝ่ายที่ทำลายก็หนักใจยิ่งขึ้นเท่านั้นนะยิ่งทุกข์มากเรื่องคล้ายๆแบบนี้ก็เหมือนกับพ่อเลี้ยงของโคสกะเศรษฐีก็เป็นลักษณะนี้พอรู้ว่าโคสกะเศรษฐีเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยจะต้อง แบ่งสมบัติของลูกเราแน่นอนเอาเหวางแผนฆ่าก็วางแผนฆ่าตั้งแต่วันนึงตั้งแต่คลอดมาไม่กี่วันก็ถูกวางแผนฆ่ายิ่งทํายังไงก็ไม่ตายสักทีเลยนะกลับเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยไปเครียดมากจนโรคกระเพาะกําเริ่มอาเจียนเป็นเลือดเลยแหละเนี่ยนะจนสุขภาพไม่ดีแล้วในะที่สุดก็เรียกว่าไข้ใจตายอย่างนั้น นี่ก็เหมือนการพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เครียดเลยนะทุกทำยิ่งประทุสร้ายไม่ได้ทำร้ า, ายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยคิดต่อไปอีกว่าเอาเถอะเราจะฆ่าพระสมณะนั้นเสียเถิดแล้วก็บรรดาลฝนอาวุธเก้าชนิดให้ตกลงมาด้วยความโกรธ ทั้งนั้นด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาวุธทุกอย่างก็กลายเป็นพวงดอกไม้ของหอมนานาชนิดที่งดงามน่าดูอย่างยิ่งหล่นลงแทบเบื้องบาทของพระทศพลนะสิ่งที่มุ่งไปเพื่อทําร้ายพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลก็ล้วนได้กลายเป็นนะกลายเป็นดอกไม้เป็นพุทธบูชา จากนั้นเท้าสุทัศนะเทวราชเห็นความอัศจรรย์นั้นก็ยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกนะไม่ได้ยิ่งยิ่งแค่เรียกว่าอุตสามอบอาวุธให้ไปกลายเป็นดอกไม้ไปแหมมันโทสะบันดาลแรงกว่าเดิมอีกก็เลยเอามือทั้งสองเนี่ยจับพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม้จะฉุดข้าวออกไปจากพบของตนก็เหวี่ยงเลยมาหาสมุทรไปจนถึงจั ก, กรวาลบรรพธนะว่าเหมือนก็รู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองได้จับอะไรสักอย่างแล้วคว้างไปทิ้งเลยนะ ก็เลยดูว่าสมณะเป็นหรือตายนาะเห็นพระพุทธเจ้าเอาประทับนั่งอยู่เหนืออาสนะเหมือนเดิมเอ๊ะไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ขว้างอะไรออกไปล่ะก็เลยคิดว่าโอ้สมณะนี้มีอนุภาพมากเราไม่สามารถจะฉุดคร่าสมณะผู้นี้ให้ออกจากที่นี้ไปได้เนี่ยนะเราเนี่ยทำอะไรมาเยอะแยะเลยถ้าใครรู้เรื่องของเราเนี่ยเราก็จะอับประยดหาน้อยไม่ เ, เสียหายมากเลยเนี่ยทำลาย ทำร้ายอะไรท่านไม่ได้เลยเนี่ยถ้าใครเห็นว่าเราประทุสล้ายผู้ที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะเสียชื่อเสียเสียงหมดคนเลิกนับถือเราหมดแน่เหมงอนกันคนคงจะดูหมิ่นเหยียดยามเรามากเลยนะอภัยโทษแปล ว, ว่าไร้ยศหมดพวกไร้บริวารหมดตําแหน่งไร้อํานาจแล้วละ่ะเอาเถอะปล่อยให้ท่านไปตามเรื่องตามราวของท่านตราบเท่าที่ใครยังไม่รู้ว่าเราแพ้เหมือนกันกีตาร์เนี่นยกลัวมากหรือกลัวเสียเชิงมากเลยนะ รักษาท่าทีว่าเป็นผู้ชนะอยู่เสมอทั้งนแพ้จนไม่รู้จะแพ้ยังไงละลำดับนั้นพระทศพลทราบความคิดทางใจของเท้าสุทัศนะเทวราชพระองค์ก็ยิ้งอธิฐานให้เทวดาและมนุษย์เห็นหมดเลยนะอธิฐานให้เทวดาและมนุษย์เห็นทั้งหมดว่าเห็นว่าเท้าเธอในวันนั้นนั่นเองวันนั้นเป็นวันที่พระราชา1 0 0่ห่งพระองค์ทั่วชมพูทวีปหรือเจ้าเมืองใหญ่ๆเนี่ยพากันมาประชุมเพื่อถวายเครื่องสังเวยแด่เท้าสุทัศนะเทวราช พระราชาของพวกมนุษย์เหล่านั้นก็เห็นเท้าสุทัศนะเทวราชประทับนั่งจับพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านะจริงจัจับจะให้ออกไปข้างนอกนึกว่าเลื่อมใสก็เลยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าโ อ, โอ้เทวราชของพวกเราเนี่ยนะรับใช้เกี่ยวบำเรอเท้าดูแลพระพุทธเจ้าปิยะทะัศนีโอพระจอมมุนีธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์ อ่นะพระผูทุกุนทั้งหลายเนี่ยวิเศษจริงๆเสร็จรแล้วก็เทวมนุษย์พระราชาเหล่านั้นก็พากันโนบน้อมยืนประคองอัญเชลีไหวยเนื้อเสียงกล้าวหมดทุกคนณสันะสนิบาตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทัศน์ศรีทำเท้าสุทัศน์เทวราชให้เป็นหัวหน้าปรองก็แสดงทำโปรดมันเทวดาและมนุษย์ประมาณ9 0,000 มื่นโกดก็บรรลุพระอราหันต์อันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่ใหญ่มากครั้งที่สอง พระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทศเสีเนี่ยมีพระคู่เวรอยู่รูปหนึ่งนะผู้ที่เป็นคู่เวรผูกพยาบาทกับพระโพธิสัตว์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นคู่เวรเนี่ยนะเป็นคู่เวรตามมหาเรื่อ ง, องนั่นแหละศัตรูของพระพุทธเจ้าในกุมุท่านครซึ่งมีขนาดเก้ายอดเชื่อว่าพระโสนเถระก็เหมือนพระเทวทัตเถระนี่แหละ พระโสนะเทระก็ปรึกษาพระมหาปฐมราชกกมารก็คือไปยุแยงเหมือนกับพระเทวทัตยุแยงพระเจ้าอาชาตศัตรูนะให้ปลงพระชนพระชนกของพระราชกกมารนั้นแม้พยายามต่างๆเพื่อจะปลงพระชนของพระปิยทัศสีพุทธเจ้าคือพระโสนะเถระรูปนี้วางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าทุกวิถีทางเพราะว่าถ้าคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพานตัวเองจะขึ้นตำแหน่งครองตำแหน่งพระพุทธเจ้าแทนนั่นนะ ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถจะปล่ n พระชนได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ปรินิพานด้วยการปล่ n พระชนจากบุคคลอื่นทีนี้พระโสนเถระเนี่ยทำยังไงก็ไม่สามารถจะฆ่าพระพุทธเจ้าได้ก็เลยเรียกขวานช้างชื่อว่าโทนมุ ข, ขะให้ปะเล้าปะาลมเออเรียกขวานพญาช้างชื่อว่าโทนมุ ข, ขะมาปลาเล้าปลลมนะเรียกเรียกคนดูแลช้างอาจารย์ช้างเนี่ยบอกว่า เมื่อใดพระส ม, มณปิยัติศรีผู้นี้เข้าไปบินทบาตอย่างพระนครนี้เมื่อนั้นท่านจงปล่อยพญาช้างชีวโทนมุกให้ฆ่าพระส ม, มณปิยัติศรีซะฝ่ายในควานช้างพอได้ฟังคำสั่งก็เลยคิดว่าพระโสนเทระคนนี้เป็นคนที่คุ้นเคยกับพระราชามากเรียกว่าราชวลบเนี่ยนะราชวลบแปลว่าคนสนิทพระราชา ตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยคิดเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดต่อไปว่าเอ๊เนี่ยที่ท่านมาใช้เนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เพียงแต่คิดไว้ในใจว่าสมณะผู้นี้เนี่ยทำให้เราหลุดพ้นจากตําแหน่งได้กลัวจะหมดตําแหน่งนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่ทําตามคํำของพระเถระรูปนี้นะเดี๋ยวพระเถระรูปนี้ไปฟ้องพระราชาเข้าเราก็หมดตําแหน่งถูกปลดแน่ถูกปลดจากเป็นอาจารย์ช้างเพราะตําแหน่งนี้ก็ถือว่าตําแหน่งใหญ่มากเลยนะโบราณเนี่ย เพราะฉะนั้นจึงรับคําวันรุ่งขึ้นก็กําหนดเวลาที่พระทศพลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังพระนครพระองค์ก็ให้พญาช้างเาข้าไปพระพุทธเจ้าเวลาไปบินธบัตในพระนครเนี่ยนะนายควานช้างก็ไปหาพญาช้างชื่อว่าโทนมุกช้างโทนมุกนั้นมีหน้าผากเหมือนหม้อข้าว เนื้อกะพองที่เกิดดีแล้วมีลำอยู่อ่าเรียกว่ามีลำงวงนี่ยนะยาวเหมือนกับสะเหมือนเสมือนธนูมีหูอ่อนกว้างใหญ่แล้วก็มีตาเหลืองเหมือนน้ำผึ้งอ่า ท, ที่เรียกว่าที่นั่งบนตัวเนี่ยดีตะพภกหนาทึบกลมกลึงระหว่างเข่าก็เก็บของรับเอาไว้ได้งาก็งามเหมือนงอนไถขนหางก็สวยโคนหางก็น่า ย, ยำเกรงเป็นช้างที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะครบทุกอย่างเรียกว่าคจระเข้เนี่ยนะ สมบูรณ์ตามลักษณะของช้างที่เป็นมงคลทุกประการเป็นช้างที่งามน่าดูเสมือนเมฆสีขาวเออสีเขียวครามช้างนั้นไปยังถิ่นที่ราชสีชอบเยื่องกรายเสมือนก้อนเมฆเดินได้เป็นช้างที่มีกำลังเท่ากับช้างสารเจ็ดเชือกเป็นช้างที่มีกำลังเหนือช้างทั่วๆไปเจ็ดเชือกนะแล้วก็ตกมันมาแล้วเจครั้งมีพิษทั่วตัวเสมือนมัจจุมานผู้ที่สามารถนาความตาย นะที่เป็นเสมือนเรือนร่างทําให้นะฝ่ายนี่ก็ขณะที่พญาช้างตัวเนี้ยกําลังเมามันอยู่นั่นแหละกําลังเมามันครั้งที่เจ็ดเลยแหละฝ่ายความช้างก็เอาเล่าว่ากันเถอะวิธีปรุงอาหารชั้นพิเศษเอาข้าวคลุกกับกํายานยาหยดตารมควันเป็นต้นเนี่ยนะคือให้มันเมามันยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะส่งเสริมความเมามันน่ะ คล้ายๆกับนายควานช้างอะไรมอมเล่ามอมเล่าช้างนาลาคิริงอะนะนาลาคิริงกัชวรังอธิมัตภูตังทาวัคขิจกรรมัสณีวะเนี่ยคล้ายๆกันเป็นช้างที่น่ากลัวมากๆเลยแล้วก็ส่งส่งช้างตัวเนี้ไปเพื่อปลงพระชนของพระมุนีผู้ประเสริฐผู้ป้องกันชนที่เป็นอริได้เหมือนช้างเอราวันป้องกันช้างศึกฉะนั้นครั้งนั้น พญาช้างโทวนนมุกเนี่ยนะเป็นช้างพลายตัวดีพอหลุดพ้นเท่านั้นแหละเรียกว่าพอปล่อยออกจากโรงเท่านั้นแหละก็ฆ่าช้างได้เลย น, นะเรียกว่าเอางานเนี่ยทิ่มช้างตายทิ่มควายตายเรียกว่าชนมา้าชนชายชนหญิงมีเนื้อตัวพร้อมทั้งงานเนี่ยและงวงเปอะไปด้วยเลือดของผู้ที่ถูกฆ่าว่าเท่านั้ น, เ, นเลือดสาดกระจายเต็มตัวไปหมด มีตาที่คลุมด้วยตาขายแห่งความตายกรียกว่ารังสีแห่งตาเนี่ยแมย่พร้อมที่จะฆ่าไดทุกคนหักทลายเกวียนบานประตูประตูเรือนยอดเสาระเนียดเป็นต้นอันฝูงกาสุนัขและแร้งเป็นต้นติดตามกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งจนกาต้องบินตามอ่ะเรียกว่าตัดอวัยวะเนี่ยนะหมายความว่าเชือดเฉือนเข็นฆ่าควายคนม้าและช้างพลายเป็นต้นกินเหมือนกับยักษ์กินคนก็เรียกว่าเก็บมากินด้วยนะ เพราะขณะนั้นกําลังเมามันก็เรีว่าช้างกินสัตว์ได้อะช้างกว่า น, นี้พอเห็นพระทศพลอันหมูพระพิสุเวทล้อมกําลังเสด็จมาแต่ไกลมีกําลังเร็วเหมือนครุฑในอากาศนะไม่ใช่นกกระเจาะนะยิ่งนกกระจอะเทศอีกว่านัน้เหมือนพยาครุฑเลยแหละมุ่งตรงเข้าไปยังพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเร็วครั้งนั้นพวกชาวเมืองก็มีใจเตรี่ยมแปรไปด้วยความเร่าร้อนเพราะภัยก็ ชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยพากันกลัวก็เข้าไปยังซากกองประกองกำแพงปราศาสตร์เพราะนะก็ทุกคนเนี่ยหนีหมดเลยนะเห็นพญาช้างกำลังเล่นมุ่งตรงไปยังพระตถาคตก็เสียงร้องอ น, นะด้วยความตกใจส่วนอุบาสกบางพวกก็เริ่มห้ามพญาช้างด้วยวิธีการต่างๆหาวิธีที่ป้องกันไม่ให้ช้างไปชนพระพุทธเจ้ า, าลำดับนั้น พระพุทธนาคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแลดูพญาช้างที่กําลังมาพระองค์ก็มีพระทัยเยือกเย็นไปด้วยกรุณาเห็ น, นว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีทุกข์เบื้องหน้าเขากําลังโศวยทุกข์เขากําลังถูกกิเลสครอบงำเนี่ยนะเขากาลังทาบาปและอกุศลเหตุอันนี้จะเป็นไปเพื่ออบายทุกขติวินิบาตกําลังทุกข์ในปัจจุบันและจะทุกต่อไปในอนาคตกรุณาของพระองค์ก็ตักเตือนพระองค์ก็แผ่เมตตา หวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกื้อกูลแผ่เมตตาไปยังพญาช้างนะขอความเมตตาของเราจงมีแก่พญาช้างนั้นเป็นเมตตาที่มีกําลังมากจากนั้นพญาช้างเชือกนั้นก็มีสันดานคือมีจิตใจที่พระเมตตาที่แผ่เข้าไปทําให้ใจของพญาช้างกลายเป็นใจที่อ่อนโยนสมเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับไฟเนี่ยนะมันจะลุกมาเป็นท่อไฟใหญ่ขนาดไหนก็ช่างแต่ถ้าพุ่งเข้าใส่ทะเลเป็นยังไง มอดหมดอ่ะนะโทสะของพญาช้างจึงจะรุนแรงอย่างไรแต่เมื่อพบน้ําพระไทัยด้วยเมตตาของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนกับทะเลเยือกเย็นเนี่ยนะไฟคือโทสะบรรดาลคือโทสะของพญาช้างก็มอดสนิทพญาช้างเชือกนั้นเนี่ยนะก็ด้วยอนุภาพของเมตตาของพระพุทธเจ้าก็เลยสํานึกรู้บุญรู้บาปรู้พิษรู้ภยัยรู้ทุกข์รู้โทษรู้เริ่มรู้ดีรู้ชั่วมีสามัญจะสานึกขึ้นมา นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำความผิดแล้วเนะเพราะฆ่าสัตว์มามากด้วยความเมามันเป็นต้นนะคือคนเนี่ยนะพอทำชั่วเยอะๆเนี่ยพอใจสงบลงแค่นั้นแหละเสียใจอย่างมากเลยนะทีนี้ความล ะ, ะความละอายที่มีต่อพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่สามารถจะยืนเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เลยอายใจจริงๆที่ไปทำความชั่วมาขนาดนี้ก็เลย หมอบจบเสียงกล้าวลงแทบพระยุคคนระบาศของพระผู้มีพระภาคเจ้าดุดไปเหมือนจะห น, นีมุดแผ่นดินหนีไปอะ่ะเหมือนจะห น, นีเลยเขาเรียกว่าไปนอนแผ่พังภาพอยู่ใกล้ๆพระผู้ศรั้าพญาช้างเชือกนั้นพอหมอบลงอย่างนั้นแล้วเรือนร่างก็เหมือนกับกลุ่มหมอกก็เจิดจ้าเหมือนก้อนเมฆสีเขียวครามเข้าไปใกล้ยอดภูเขาทองที่ฉาบด้วยแสงสนธยา ครั้งนั้นพวกชนชาวเมืองเห็นพญาช้างมอบอ น, นะมอบตัวจบแทบเสียนกล้าวเบื้องพระยุคลบาททั้งคู่ของพระจอมมุนีก็มีใจเปี่ยมไปด้วยปีติทุกคนดีใจหมดเลยว่าเหตุการณ์อันตรายเหล่านี้ก็ผ่านพ้นไปนึกว่าพระพุทธเจ้าเสร็จแน่งานเนี่ยนะแต่ว่าไม่เป็นไรว่า ง, งั้นช้างก็ไม่ได้ถูกฆ่าอะไรเนี่ยนะ พันพวกชาวเมืองก็พากันส่งเสียงโหร้องสาธุการกึกก้องเหมือนกับเสียงราชสีห์ชาวเมืองเหล่านั้นก็พากันบูชาพระองค์มีประการต่างๆด้วยดอกไม้ของหอมมาลายนะจันของหอมทุกชนิดที่เท่าที่จะหาได้พร้อมทั้งเครื่องประดับเสร็จแล้วก็โยนแผ่นผ้าไปโดยรอบเทพเพรีก็บรลือลั่นในท้องนภะากาศก็าดนตรีทิพดูดเสียงกลองทิพก็บรรเลงดังสนั่น คั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแลดูพญาช้างพลายที่กําลังเมาแต่ที่เรียกว่าผ่านการเมามันสงบด้วยเมตตาของพระองค์เนี่ยนะที่มอบจบเสียนกล้าวแทบเบื้องพระบาทเหมือนกับยอดเขาที่อาบสีดําพระองค์ก็ทรงลูบกระพองพญาช้างด้วยฝ่าพระหัตถ์เนี่ยนะลูบหัวเลยแบบนั้นนะลูบหัวลูบคอเลยแหละช้างอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ น, นะเพื่อความสุขให้แก่พญาช้าง พระองค์ก็สอนพระธรรมเหล่านั้นให้พญาช้างฟังว่าดูก่อนพญาช้างเจ้าจงฟังคําของเราที่พร่ำสอนอนะต้องตั้งใจฟังโอวาทอนุสาสนีให้ดีนะและจงปฏิบัติหรือเสพหรือปฏิบัติตามคําพร่ำสอนของเรานั้นนะเพราะเป็นคําสอนที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและ สัมปรายภพให้ความสุขปัจจุบันและอนาคตขณะเดียวกันก็ยังเป็นบาทของการบรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นเจ้าจงกำจัดความยินดีในการฆ่าอย่าใจดีในการฆ่าอย่ามีความสุขกับการเข็นการฆ่าเลยเพราะฉะนั้นจงกระจัดความเพลิดเพลินที่มาจากการฆ่าหรืออย่าได้ยินดีพอใจในการฆ่าเลยเพราะความที่มีจิตร้ายของเจ้า จงประทุสล้ายจิตที่ร้ายกาดอันนั้นซะจงเป็นช้างที่น่ารักนีนะนะก็ช้างถ้าเป็นช้างนักฆ่าก็เป็นช้างที่น่ากลัวถ้าช้างที่น้อมไปเพื่อจะช่วยให้ชีวิตสัตว์มีความเจริญก็เป็นช้างที่น่ารักเพราะฉะนั้นผู้ใดให้ความเจริญแก่ผู้ใดได้ผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่น่ารักฉันใดเ จ, จ้าจงให้แต่ความเจริญแก่ผู้อื่นแล้วก็จงเป็นผู้สงบทางกายนะอย่าได้ทําความชั่วยอย่างนั้นอีกต่อไป ดูก่อนพยาช้างผู้ใดเบียดเบียนสัตว์ที่มีชีวิตจะเบียดเบียนด้วยความโลภความเมามันก็ตามหรือจะเบียดเบียนด้วยความกโกรธเนี่ยนะโทสะหรือโมหะความลุ่มหลงก็ตามผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิตเจตนาที่เป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์มีชีวิตเจตนาตัวนี้แหละทำให้เสวยทุกข์อนร้ายกาศในนรกตลอดกาลนานเจตนาฆ่านี้เป็นเหตุให้ตกนรกนะ ดูก่อนพญาช้างเจ้าอย่าได้ทําบาปรกรรมเห็นปานนั้นด้วยความประมาทเนี่ยนะด้วยความประมาทขาดสติไร้สามัญจะสําสนึกแห่งความดีชั่วระลึกแม้แต่บุญแม้แต่บาปเป็นต้นไม่ได้หรืออย่าทําบาปรกรรมความความชั่วฆ่าแบบนี้อีกด้วยความเมาเนี่ยนะความมัวเมาเมามันเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าผู้ทําสัตว์ให้มีชีวิตตกล่วงไปย่อมประสบ ย่อมประสบทุกแสนสาหัสในนรกตลอดกับเพราะว่าค่าโดยเฉพาะค่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวังได้เลยนะนรกยาวแน่งานนี่ดีว่าสามัญญาสำนึกดีชั่วผิดชอบชั่วดีได้ปฏิบัติตามคั้รพรมสอนเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยตกนรกแน่นอนแลั้วนะแล้วก็ถ้าหากว่าค่าผู้มีศีลผู้มีคุณธรรมค่าพระริยาเจ้าเป็นต้นเนี่ยนรกเป็นนรกเป็นกับเลยนะ ผู้เบียดเบียนนะผู้ใดเบียดเบียนครั้นเสวยทุกอันร้ายกาศในนรกข้าหาว่าเขาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้อีกเจตนาที่เกิดจากการฆ่านั้นเนี่ยนะถ้ามีบุญบางอย่างนํามาเกิดเป็นมนุษย์พอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็มีอายุสั้นนะนะตายเร็วว่างั้นอ่ะบางคนเพราอย่างเด็กบางคนเนี่ยก็อยู่ในครั้น2วัน3วันก็ตายแล้วนะนะบางคนก็อาทิตย์2อาทิตย์3เดือนก็ตายแล้ว4เดือน5เดือน6เดือน7เดือนพร้อมที่จะตายมาตลอด นะพร้อมที่จะขนาดว่าถ้าเราอยู่ในคันเนี่ยนะไอความที่บาประกรรมมันให้ผลเนี่ยบางทีแม่ไม่ต้องการจะฆ่าลูกก็แท้งเองได้นนะีคือมันมีเหตุปัจจัยให้ตายตั้งแต่อยู่ในคันบ้างตายตอนคลอดบ้างหลังจากคลอดมาแล้วพร้อมที่จะตายอายุไม่ยืนเป็นกลายเป็นผู้อายุสั้นอายุสั้นอันนั้นเพราะเจตนาที่เลวร้ายในอดีตเพราะผู้ใดทําชีวิตผู้อื่นให้สั้นชีวิตของตนก็สั้น ว่าเพราะการฆ่าเนี่ยไม่มีการฆ่าใดที่จะทําให้ผู้ฆ่าอายุยืนเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าเขาได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเขาเข้าใจเลยว่าการฆ่าเป็นเหตุให้เขาอายุสั้นมีมีนักฆ่าคนหนึ่งเนี่ยนะเขาหลังจากที่เขาฆ่าคนจํานวนมากเขารู้เลยว่าบัดนี้เป็นต้นไปเขาอายุไม่ยืนเพราะอะไรเพราะเจตนาที่เป็นเหตุฆ่าคนเนี่ยมันบาปร้ายการจริงนะมันเป็นเหตุให้ตัวเองอายุสั้น เพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าให้ทุกข์แก่ผู้อื่นเช่นใดทุกข์นั้นก็ย้อนกลับมาหาตนเช่นนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราน้อมไปเพื่อเอาชีวิตสัตว์อื่นชีวิตเราก็จะถูกเข้ามาตัดรอนฉะนั้นพะะนันก็จะกลายเป็นผู้มีอายุสั้นขณะเดียวกันเนี่ยเวลาฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะเราจะให้ผู้อื่นเนี่ยมีรูปร่างกายที่สวยงามเลยใช่ไหม บอกไม่เจตนาฆ่าเนี่ยแหละอย่างเช่นฆ่าในสงครามเนี่ยทำให้ร่างกายของเขาวิบัติแปลกประหลาดเช่นใดเวลาบาปมันให้ผลเนี่ยนะร่างกายของตนในชาติต่อๆไปก็จะประหลาดฉะนั้น น, นะถ้าไปตีหัวเขาสบุกหมดตัวของหัวตัวเองก็เกิดมาเบี้ยวหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยไม่น่าเชื่ออย่างที่ไปที่เมืองเออพารานสีเนี่ยหลังจากออกไหว้มาจากทำเมฆขสตุเจดีที่วัดศรีลังกาเนี่ยนะมูลคันตกุตีเนี่ย ทั้งขาไปคขากลับมีขอทานอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันบิดเบี้ยวเหมือนกับใครจับบิดทิ้งไว้งั้นอ่ะเหมือนมีใครจับบิดจับหนังอะไรบิดไว้สักอย่างน่งมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะนั้นมันกลับข้างกลับด้านไปครับหมดเลยเพราร่างกายนี่มันแล้วไม่ไ ม, ไม่ตายด้วยนะพระโยงั่นแนหะขอทานอยู่ปากประตูวัดนั่นแหละมันมีสารพัดชนิดสัตว์ในโลกเพราะว่านั่นเป็นเศษเสี้ยวมาจากอากุศลสายปานาติบา พันเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยมันก็ให้ผลสมควรกับเหตุที่ทำเอาไว้พราะไม่ใช่มีใครมาเสกมาอะไรหรอกเจตนาเรานี่แหละเป็นตัวสาบแช่งเราเพรัะถ้าเราน้อมเจตนาไปเพื่อประทุสุส้ายผู้อื่นเท่าใดเราก็สาบแช่งตัวเองเท่านั้นเราและขณะเดียวกันการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยแตกแยกการทําให้ผู้อื่นแตกแยกตัวเองก็ได้รับความแตกแยกด้วยเพราะฉะนั้น เวลากรรมมันให้ผลรูปร่างกายก็ปแปลกประหลาดคนรอบข้างก็มีปัญหาไปหมดเลยอันนี้เป็นเศษเสี้ยวแห่งความทุกข์ที่ติดตามมาเป็นเศษที่มาจากนรกพันธ์สิ่งที่น่ากลัวนั้นเจตนาของเรานี่แหละใจของเรานี่แหละใจที่ปราศจากศีล ใ, ใจที่ไร้คุณธรรมใจที่น้อมไปเพื่อทำบาปอากุศลใจตัวนี้เลวร้ายมาก อั น, นให้ความทุกข์ทั้งในขณะเป็นด้วยให้ความทุกข์ต่อต่อไปชาติหน้าด้วยหลายหลายชาติต่อไปด้วยบางคนนี่ถูกฆ่าติดกันเป็นหลายร้อยชาติอย่างพระโมคขาลานะถูกทุกเป็นร้อยชาติเลยนะ